บวชก็ดีหรืออุาบาสกอุบาสิกาได้จำได้อยู่พันษาก็ดีถือเป็นของขังถือเป็นของสักจิตในเล่น ด, ดูสี่เดือนนั่นแหละเลยได้เข้าใจว่าพันศาหนึ่งที่จริงไม่ใช่พันษาแราว้วความเป็นจริงนั่นพันศาหนึ่งพันศาหนึ่งก็คือเราอันนี้นับอายุนั่นแหละ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 เรามาปฏิบัติเพียงพันษาหนึ่งก็ดีหรือหากบางคนอาจจะไปหลายวัดหลายวาหลายพันษาแล้วก็ได้ที่ปฏิบัติมาแต่ก็จับหลักไม่ได้คือว่าทีนิตพิจารณาคิดกองคิดท่องแท้ในใจของตนไม่จริงเลยสักอย่างเดียวดยรัวลโลเลปฏิบัติโลเลเอาหลักมันคงไม่ได้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 ทานจิประการวัตถุจิตประการอันนะปานังวัดถังยาหนังอันนาแปลว่าเข้าน้ําเข้าคือให้ทานข้าปานังให้ทานน้าวัดถังผายานังคือเยื่อยานผานะ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 ให้ทานผ้าทันตหากว่าเป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ใช้ผ้าเหลืองกระขาวนี่ีชีแล้วก็ใช้ผ้าขาวคนนาตะสามันที่เป็นคลาวาสแล้วแต่จะใช้สื่อแล้วแต่จะให้สื่ะผ้าอะไรก็ได้ผาสีสันวณ น, นะมีรูปพันธังสังไดมดยาหนังยาพาหเนะ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 จา่าฆ่าละนี้เช่นเราปฏิบัติอันไดขัดข้องในจิตในใจเท้าหมอะในจิตในใจไม่พร้องใส่ปอดโปกงในจิตในใจเราสละสละก็คือจาาค่าเองธละอะไรก็จาาฆ่าเป็นของดีมากอันนี้ก็ของสูงสีเดียวธละอารมณ์ทุกสิ่งทุกประการ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 พวกคนทั้งหลายชิงกันเลยอยากได้โน่นอยากนั้นนี่ชิงมีจิงเด่นจิงลาาสิ้งยอดซึ่งกันและกันนนั้เรียกว่าโลภอ่อนนันเรียกว่าแย่งกันเมื่อแย่งกันก็เป็นเหตุทะเลาะวิวากันทุ่มเถียงข้าฟันซึ่งกันด้วยกั น, กนอันนี้ความโลภความโกรธควเหมือนกันพระพุทธเจ้าเอื้อสาวกทั้งหลายท่านทิ้งหมดละหมด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 ไอ้ศรัทธายี่ตัดสิโอขังศรัทธาเป็นเครื่องขามโอคะคือหมายความว่ามีศรัทธาแล้วเชื่อมั่นแล้วนั่นแหละเป็นเศษขามโอคังถ้าไม่มีศรัทธาอย่างเดียวหมดเลือกโอคะก็เป็ข้าวขามทุนโอคะคือสองสารโอคะคือวัตตสงสารห่วงคือห่วงน้ำคือโอคะ ลาคะโทสาโมหะเป็นโอฆะแต่ละอย่างละอย่างคนที่จะข้ามโอฆะได้มันต้องมีศรัทธาศรัทธานี่เป็นของสาคัญที่สุดเชื่อมันในกรรมเชื่อผลกรรมดังอธิบายมาแล้วแต่ว่าศรัทธานี่เป็นเบื้องต้นของธรรมทานอย่างอธิบายให้ฟัง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 ที่ท่านเรียกว่าละวิตกวิจาร ต, ติสุขิตะห้านั่นเรียกองฌานมีองหาละก็คือสละนั่นเองกจาขะตัวนั้นเนี่ยสละก็คือจาขะตัวนั้นเองาอจาขะสละไปแล้วนั้นจิตใจเงียปลอดโปร่งองใสสะอาด เราเห็นทุกคนต้องเห็นด้วยใจตนเองขยสละอาจจะเห็นด้วยใจตนเองก็ไดะความโกรธมันเศร้ามองความโลภมากกว่าเศร้ามองความหลงมากกว่าเศร้ามองทําใจให้มืดมิดทําใจให้ติดข้องในเรื่องนั้นไม่หายแักสิ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 คือศรัทธาได้ก่อนชินก็นคือมีหลักชิ น, นมีหลักคืออหไคือวิเดติงดเว้ น, น, นแล้จะตมีฮีโอตสปาเป็นเครื่องอยู่สรามที่คือมีจาระปัญญาเน่คือมีความรู้ความเข้าใจในการที่เห็นสิ่งนามพวงหมด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 ถ้าไม่ถึงนั้นแล้วไม่ใช่คิดเอานะมันเห็นจริงๆิงกะจังรู้แจ้งจริงจริกัะจางด้วยใจของตนเองคิดเอามันไม่มันไม่จิตไม่มีสิ้นสุดมั น, นเดียวก็วกกลับขึบ้นมาอีกเขาไม่เห็นจริงแจ้งในใจแล้วละในหมดทุกสิ่งทุกอย่างลงอนิจจังทุกขังาตามันจะไปที่ไหนแล้วจริงครับพวกมันเพียงแค่อนิจจังทุกขังาตา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 ให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับต้นไม้ภูเขาก็ได้ใมันอยู่ในป่าในรกก็ได้มันอยู่ในตัวในตัวนี่ก็ได้สุดแล้วแต่เอาเติดไตตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกตองนั่นนั่นนหะตัวใจไอ้นั่นแะตัวจิตไปรู้สึกกันคันท่าหาก็เอาเอาเอาจิตต้นนั้นไปไปรู้สึกในตรงนั้นเนยไปรู้สึกใจสิ่งใดแล้ว